เอาการถอนพดีกันหนึ่งก็แล้วกันครับเพราะว่าเราจ ะ, จะได้จะได้กินข้าวแล้ทพักผ่อนสบายๆไปแล้วจะได้ไปทาด้วยนะจะได้ไปกลัวศาส น, นะครับการกัวศาสร์นี่เป็นการแพทย์ดั้งเดิมของจีนของไทยภูเขาของเวียดนามลาพมา่าาเท่านั้นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเ้ท่านี้แหละกัรบูชาเท่านี้ถ้าใช้กรรมานานนะครับหลายพันปี เขจะใช้วิธีขุดๆแล้วก็แดงขึ้นมานะเป็นการแพร่ทั้งเลืิกที่ผมไม่อยากจะเรียนก็มันเหมือนซารดิมันเหมือนไาสาระเป็นเหมือนคนรุนแรงอ่ะนะแดงขูดแ็งแดงขึ้นมาผมไม่อยากจะเรียนเลยนะแต่วันหนึ่งมันก็มีเหตุปัจจัยที่เราเรื่อให้เราได้ได้เปิดใจไปเรียนประกอบว่าผมเจอเรื่องมาจังมากมายในวิชากัรศึกษนะครับไปเจอพระรูปหนึ่งท่านไอ สิบปีต่อเนื่องกันมาทั้งกลางวันกลางคืนไอจนอยากฆ่าตัวตายนะครับเป็นพระ น, นักเพศไออยากฆ่าตัวตายเสร็จ แ, แล้วเนี่ยรักษาทุกแผนไม่ดีขึ้นผมก็เลยให้อา่าเขาก็แนะนําเขาก็ถามมาว่าจะทำยังไงนะผมก็เลยแนะนําให้ลูกเสือกัวซาที่หลังให้พอกัวซาที่หลังนะครับวันเดียวอาการไอทุกเราลงอย่างมากเลยนะครับ ทลาลงอย่างมากเลยแล้วก็เลิอกอยากฆ่าตัวตายนี่มันคือเรื่องมหัศจรรย์มากเลยแล้วหลายครั้งที่ผมไอไม่หายสักทีสุดท้ายผมจะมาจบที่กวักวซ่าออกกัวซ่าปุ๊บรลางกก็ดีขึ้นอาการไอทุเราลงนะครับมีครั้งหนึ่งไออยู่เป็นอาทิตย์เลยไม่ดีขึ้นคือดีขึ้นแตดีขึ้นช้าทําอย่างอื่นก็ดีขึ้นช้าสุดท้ายผมมากวาัวซ่าแล้วอาการไอทุเรา ท, ทันทีนี่คือปฏิหารที่เราเจอกับกัวซ่าแล้วก็มี เมือ่อเราเมินหรว่าปวดหัวดิผมกวดซ่าพุกมันจะเบาลงเร็วครับจะเป็นไข้ไม่หายสักทีด่นะเวลวากวดซ่าเนี่ยอาการไข้จะลดลงเร็วนะครับอชาวเขาเนี่ยเวลาไข้ลดไม่ลดนี่เขาจะปวสซ่านี่แหละว่าไข้จะลดลงเรยแล้ผมก็เป็นหลายครั้งแล้วเป็นไข้เนี่ยสุดท้ายมาลดมาหายในกยปวสารประทับใจมากผู้ปิดคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะเป็นมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายกระจายไปทั่วเลย กระจายไปทั่วเลยเสร็จแล้วพอกระจายไปทั่วเขากลัวทรมานมากฉีดมอร์ฟีนต่อเนื่องกันมาสองเดือนฉีดทุกแปดชั่วโมงเสร็จแล้วเขามาเข้าค่ายแล้วไม่ได้เอามอร์ฟินมาด้วยผมก็สอนวิชากลัวซางให้ใเขาเอาไปทําเกิดปฏิหารครับภายในห้าวันเขาไม่ปวดเลยและไม่ได้ใช้มอร์ฟีนเลยนี่คือปฏิหารที่เราไม่น่าเชื่ อ, อตื่นไปได้อย่างไร คนไข้ลหลายคนนะครับคนไข้มาเร็งหรือคนไข้ทรามารย์แหลายคนใช้ใชวิชากวรซาแล้วเขาผู้เราเรื้อรังหายไปอาการหายฝไปแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหายขาดทุกคนนะบางคนก็หายขาดบางคนก็ลดอาการเจ็บปวดที่ทรามารลงแล้วแต่สภาพร่างกายและฝีมือการปวดสาทําได้ดีเท่าไหร่มันก็จะลดความเจ็บปวดได้มากเท่านั้นเท่านั้นนี่คือปฏิหารที่เราเจอแล้วเขาก็ยังร่างกายดีไม่ได้อีกหลายเดือนนะครับตอนจริงเขาด้าร่างกายเขาแข็งแรงอยู่ได้เป็นปีเลยนะคนไข้คนเนี้ย แต่ว่าช่างหลังมาเขาคุมอาหารไม่ได้เขาก็เลยอาการแย่ลงแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตคนไห้คนนี้แต่แต่ก็เป็นเคสที่น่าสนใจว่าถ้าเขาปฏิบัติตัวได้แล้ือเขาก็ดีขึ้นถ้าเขาปฏิบัติตัวไม่ได้ก็เสียชีวิตกับครักเองอยู่ที่การปฏิบัติตัวเองน้อยเราช่วยลดปัญหาของเขาลงไปได้นะครับในน้อยห้าวันนะเขาไม่ปวดเลยมันก็นใช่ได้เพราะว่าทุกครั้งมันไม่รอดแปดชั่วโมงมันต้องปวดนะลดได้ขนาดนั้นก็ดี้นะ อ๋อแหละนะคร เ, ะเนี่ยแล้วถ้าจะเจอโรคกันอื่นอาการไม่สบายเยอะแยะสารพัดเลยนะครับที่เราเจอแล้วมันพวกเราได้เดื้อกันกวักวซ่าการกัวสามีหลักการอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรนะครับหลักการง่ายๆเลยนะคิดในร่างกายคนนั้นมันจะฝังไว้ที่เลือดพิษในร่างกายคนเนี่ยนะครับเลือดเราเนี่ยจะสัมผัสกับทุกอวัยวะในร่างกาย เมื่อเลือดเราสัมผัสกับทุกอวัยวะในร่างกายนะครับเอมันก็จะซับเอาพิษไว้คล้ายๆอย่างเงี้ยฮะคล้ายๆว่าคนที่เป็นไข้สูงๆแล้วเขาก็เอาผ้าชุบน้ำตอเปล่านะไปเช็ดตัวหรือไปพักไว้ที่คอที่ที่ที่แขนหมีผ้าหมีนตนางๆนะครับที่ที่มันพับได้นะอีกสักพักผ้าจะจะเป็นยังไงฮะน้ำจะเป็นยังไงอมันจะร้อนขึ้นใช่ไหมทำไมน้ำถึงร้อนขึ้น ความร้อนนร่างกาแผ่ออกมาใช่ไหมเหมือนกันครับน้ําที่อยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยที่มันติดกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยแล้วถ้าเอาเวัวะนั้นมันมีพิษร้อนอยู่น้ําจะซัดคอามร้อนไว้ซับพิษร้อนนั้นไว้ถ้าเราสามารถที่จะทให้เลือดขึ้นมาที่ผิวหนังแล้วระบายความร้อนออกไปได้นะครับความร้อนที่อยู่ในเลือดนั้นก็จะไม่เผาทำร้ายอาวัยวะ เอาเองว่าจะแข็งแรงขึ้นเร็วนะครับหรือพอมันกลับตื่นไปไปทราบออกความร้อนแล้วก็ขูดันมาอีกการขัวซารก็คือการทําให้เลือดที่อยู่ตามที่ต่างๆภายในร่างกายนั้นเคลื่อนมาที่ผิวหนังพอเลือดเคลื่อนมาที่ผิวหนังเขาก็ระบายพิษในเลือดทั้นออกทางผิวหนังเป็นการระบายพิษออกจากเลือดทางผิวหนังนี่คือการขัวซารนะครับมันจึงเกิดเรื่องปฏิหารขึ้นมากมายใ น, ใ น, ใ, นในเรื่องการขูดซาร์นะครับเพราะอันนี้แหละ มันสามารถระบายพิษออกได้อย่างปฏิหารมากเดี๋ยวท่านคอยพิสูจน์ปฏิหารมันไปก็อยากมากแล้วก็ถอนพิษได้เร็วสบายเนื้อสบายตัวได้เร็วนะครับนะพอเลือดระบายมาที่ผิวหนังปุ๊นบนะถูกถูกเคลื่อนมาที่ผิวหนังพิษที่เขาซับไว้จับไว้ใต่างๆก็ระบายออกไปที่พื้นัิวพอระบายไปเราก็สบายนะครับเป็นพลังงานที่ทเป็นพิษนะครับก็เหมือนกับพลังงานร้อนที่ที่เราเช็ดตัวรถไข้แล้วมันมาฝังไว้ที่ผ่าของเราที่น้ำของเรามานะันเดียกัน แต่เราก็จะระบายไปนะครับระบายไปเพราะว่าร่างกายคนมันระบายพลิตร้อนตลอดเวลายอยู่แล้วนะครับแต่เป็นแต่ว่าการกลัาสารนั้นช่วยให้เกิดการระบายพลิได้มากขึ้นถ้ากายคนระบายพลิตั้งผิวหนังอยู่แล้วสังเกต น, นะถ้าคนนั่งด้วยกันมากๆกันหลายคนนะนั่งมากๆกันหลายคนโดยเฉพาะอากาศอบอ้าวเนี่ยอากาศ ร, ร้อนเนี่ยจะรู้สึกไงมันยิน่งเทวีความร้อนอบอ้าวใช่ไหมฮะมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นแหละแล้วความร้อนอบอ้าวมาจากไหน มาจากร่างกายของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนะค น, นั่นแหละฮะที่ดูนะขนาดเราโดนบ้างนิดหน่อยมันยังไม่สบายขนนะนะั้น่ะแล้วถ้ามันฝังไว้ข้างในมันจะทําลายเซลล์ขนาดไหนมันก็ทําลายเซลล์เสื่อมเลยนะครับถ้าเราสามารถระบายความร้อนเหล่านี้ออกมาได้ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นเร็วอันนะี้เนสําคัญนะเอาละทีนี้เราจะกลัวสายอย่างไรเมื่อเรารู้หลักการเหตุผลของเขาแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นกัวส า, ายก็คือว่าเราใช้อุปกรณนะร์จะมีอุปกรณ์ในการกลัวสาย นะครับวิเคราะห์นการกราดเช่นใช้อะไรนะที่จะเอามาขูดเนะี่ยโอ้มีสารพัดอันสารพัดแบบโอ้สีขาวก็มีนะเขาสัตว์มากอนยะ่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นกวาาเจอแบบนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้ที่ถนัดนะอะไรก็ได้ที่ขอบเรียบนะบเห็นไหมฮะมันจะขอบเรียบเอาไว้คูดนะอันนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ไดู้ไป แบบช้อนนี่ก็ได้หรือว่าแบบวีก็ได้นะวีผมเลยใ <c> น <oughs> แบบนี้นี่ก็ได้วีไม้อันนี้กลัลวดเท้าดี้ะเนี่ยวีไม้แบบนี้ก็ได้มันจะมีวัสดุอุปกรณ์หลายอย่างหรือถ้าไม่ใช้แบบนี้นะช้อนที่อยู่ในบ้านก็ได้นะครับช้อนกินข้าวที่อยู่ในบ้านก็สามารถเรามาขูดได้ เหรียญสิ บ, บาทก็สามารถอามาขูดได้นะเหรียญห้าบาทเหรียญสิ บ, บาทแก้ปัญหาได้หมดแล้วครับแต่ต้องระมัดระวังช้อนกับเหรียญเพราะมันเป็นโลหะเวลาไปขูด้นไข้พิษมันจะเข้าตัวนะมันจะไม่สบายเ่นีนงแา่ยุนแรงหน่อยเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉิน เวลาฉุกเฉินมันหาอะไรไม่ได้ก็ใช้ช้อนใช้เหรียญสิบบาทไปก่อนนะครับแต่พอขูดจนใกล้เสร็จนะรีบขูดมือตัวเองนะนะรี่ขูดพิษออกเลยนะครับขูดออกที่มือแม้ใช้อย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับรีบขูดพิษพิษที่แขนออกนะเือระบายพิษไม่ให้พิษเข้าตัวรีบระบายออกมาเลยนะฮอพยายามใช้ตัวที่เป็นฉนวนถ้วยก็ได้นะครับถ้วยขอบเรียกะที่อยู่ในบ้านก็สามารถที่จะ ตอนคิดได้กะลามาพาะพร้าวก็ได้ฮะมาทําเป็นมนมอนมากะลามาพาะพร้าวก็มาทําเป็นมอน ม, นมนเอาไว้ขูดได้หรืออย่างอื่นๆนะเป็นตัอย่าไปเอามีดนั่นนะมีดกิมยาบาลเราอย่างนีนได้ผลนะครับที่ขอบ เ, เรียบขูดแล้วรู้สึกสบายขอบ เ, เรียบให้ขูดร่างกายแล้วรู้สึกสบายไปเรื่สบายตัวโอเคนะฮะ เอาละเมื่อเราได้ อ, อปุปกรณ์ขูดแล้วคราวนี้จะเอาสมุนไพรอะไรมาทายุคนี้มันร้อนนะนะสมุนไพรที่นิยมใช้ทาก็ใช้ขี้ผึ้งย่านางนะครับจะใช้น้ำมันเขียวไหนอะน้ำมันเขียวหลบหน้าดูเลยนเนี่ยเนี่ยน้ำมันเขียวนี่ก็น่าเอ่อเอาขี้พึ้งก่อนนะขี้พึ้งย่านนางขี้พึ้งเสลย์พังพรขี้พึ้งแก้วัด ยาหมองดํำตรงนี้นะครับหรือขี้ผึ้งอะไรก็ตามที่ทาแล้วรู้สบายรู้สึกเย็นสบา ย, นบายนในไงคนที่ร้อนเกินก็ทาขี้ผึ้งรีบีย็นสมุนไพรได้เย็นนะครับหรือน้ํามันเขียวนี่ก็ได้นะครับใช้ประหยัดๆหน่อยนะน้ำมันเขียวไม่ต้องไปเปลืองนะทีมงานผลิตไม่ไว้แล้วนะเออใช้ 1- 3หยดใส่น้ำหนึ่งแก้วนะครับเนี่ยน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยใช้ไป 3, 3หยดนะ ทาคอนกรัวทาได้เลยนะครับันเนี้ยจะเย็นสบายดีถ้าไม่มีคิ่พึ่งเหล่านี้ที่เล่าไปนะครับสามารถใช้น้ําเปล่าก็ได้นะครับทาไปนในจุดที่ไม่สบายแล้วก็ขูดนะน้ำใช้เฉยก็ได้น้ามันพืชก็ได้นะครับน้ำคโคลฟีนนะน้ําเขียวเนี่ยน้ำคโคลฟีนนี่ก็ได้ทาแล้วขูดนะครับหรือถ้าไม่มีอะไรเลย ไม่ใช้อะไรเลยก็ได้ขูดไปโดยที่ไม่ต้องทาอะไรนะครับอันนี้ก็รักษาโรคได้ขูดนดยไ่้องทาอะไรดิคุจะรู้สึกสบายลองดูนะใครปวดหัวมืนหัวนิ้วขูดไปมันจะเบาสบายขึ้นอ่าโดยไม่ต้องทาอะไรก็ได้นี่ที่ผมชอบขูดตามมากๆก่อ น, นี้แหละนะมันไม่มีอะไรทาก็รักษาโรคได้ชอบมากเลยสายประหยัดสายประหยัดใช่ี่ยแต่ถ้ากาจรมี time ก็จะสอนที่ได้ดีขึ้นแต่ถ้าอากาศหนาวเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นก็ใช้ชิปปุ้นรีดร้อนนะ ที้พึ่งเี้ยตอนมีอะไรถ้าหนาวเย็นมากๆมากๆโอ้น่ะร้อนหนาวทรมานนะคุงก็ลองใช้ขี้พึ่งร้อนไปทานที่พึ่งคามิ้นไทยที่พึ่งไทน้ํามันระกมเงี้ยนะที่พึ่งน้ามันระกมน้ำมันระกมร้อนนะขี่พึ่งน้ามันละกมการที่พึ้งอะไรขี้พึงน้ำมันงาอะไรเงี้ยนะเออพวกนี้มันจะร้อนครับเอาที่พึ้งร้อนไปทาได้ครับในช่วงที่เรามีภาวาร้อนเกินหรืออากาศหนาวเย็นมากๆจะทานที่พึ่งร้อนไดนะ หรือถ้าใครทาแล้วรู้สึกไม่สบายก็ไม่ต้องทาอะไรอย่างว่าได้ถ้าอากาศหนาวเย็นนี่อย่าไปทาพูกนี้นะโอ้หนาวเข้าไส้เลยนะจะบอกให้อุ้ยเด้อเด้อเดจะรู้เด้อจะรู้เด้ก็งอถ้าอากาศหนาวเย็นมากๆก็ไปทาแล้วหนาวเข้าไส้จริงนะแต่ไม่ต้องตกใจนะถ้ามันหนาวนีนะไม่ไม่เกินไม่เกินสามสิบนาทีหรอกมันจะหายหนาวถ้าใครเจอไปทาตอนอากาศเย็นเแล้วรู้สึกหนาวสะท้านนะ วิธีแก้ก็คือเอาน้ำอุ่นไปละมัดเอาผ้าชุบน้ำอุ่นมันเช็ดออกผ้าชุบน้ำร้อนมัเช็ดออกนมันจะหายเร็วหรือเอาผ้าเอาเอาขวดพลาสติกนี่ก็ได้นะขวดน้ำขวดน้ำธรรมดาทั่วไปจะใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วไปกดก่อนไว้ก่ไว้ไม่เกินสามีิ บ, บนมันก็หาย เดี๋ยแมไม่ทําอะไรนะไม่เกินสามสิบนาทีมันก็จะหายเหมือนกันมันก็จะหายอย่างต้องเรามันระวังถ้าอากาศเย็นมากๆก็จะเป็นทาถ้ามันทรมานให้ใช้หลักของพระเจ้านะครับเป็นผู้นำความสบายกัตนเองนะทาอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกสบายก็ถาเท่านั้นแหละถ้าทาอะไรแล้วไม่สบายก็ยังไปทามันทรมา น, นโอเคนะทีนี้ก็ เอาละมาดูแล้วว่าต้องทาอะไรเขาส่ถ้าถ้าทั้ง้อนทัเย็นแรกก็ใส่ทั้งสมุไตรร้อนสมุไตรเยน็ะนะไรนะเออมันมีทั้งอาการร้อ น, นเกินเย็นเกินเนี่ยก็อาจจะเอาน้าอุ่นมาน้าร้อนมาเอาน้ำอุ่นมายดน้ม า, า, นน ม, า, านมันเขียวใส่แล้วก็ทาแลก็ขูด ก, ก็ได้อะอย่างเงี้ย ก็ตดูว่าเร า, าตำรัะอะไรมีภาวะอย่างไรนะแล้วถ้าขูดขึ้นมานะครับขูดขึ้นมาถ้ามันเป็นสีเ อ, อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะบอกสีที่หลังนะเอาการขุดก่อ น, นแล้วกันนะถ้าขูดศีสันนะครับจะขุดอย่างไรนะขุดหัวนี่นะขูดจากกลางศีสันมหาชายผมหรือมหาตี๋ผม ขูดครั้งหนึ่งนะครับจุดนึงประมาณ 10- บถห้าสิบครั้งนะจุดหนึ่งประมาณสิบถห้าสิบครั้งจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับหรือถ้าที่รู้สึกสบายเช่นขูดครั้งหนึ่งสบายแล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเรารู้สึกสบายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีขูดเพื่อเดียวสบายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆขูดซิลซ่าเนี่ยจากการศึลซ่าฮาร์ดับฮาร์ดแคร์ผมขูดไปเรื่อยๆได้ถ้าเรารู้สึกสบายแล้วเราก็ผ่านไปสบายแล้วก็ผ่านไปหรือมันแดง ก่จะไม่แดงไปกว่านั้นอีกแล้วนะในจุดนะเราก็ผ่านไปนะครับอันนี้ได้ <laughs> จะขูดมากหรือน้อยกว่า10บเซนตรก็ได้ให้ดูที่ความรู้สึกสบายหรือการรู้สึกแดง แล้วก็ไม่เด้งกับนั้นอีกแล้วหลายครั้งนะครับพี่ผมมึนหัวมึนหัวนี่นะคุณไปคุณไปมันเบาแล้วนะโล่งสบายเลยอ่ะปัญญาปัญญายไปบางทีถือขาดขุดรอบๆถือขุดมากๆเองนั่นแหละมันกาลังมึนนะริดของไฟฟ้าจากไม้จากอะไรนะเราพูดมากมันร้อนเนไงเราก็ถือกันระบายพดกร้อนหรอรักษาสมองนะคุณหัวนี่รักษาสมองอย่างดีเลยเซฟสมองเราไม่ให้เสื่อมง่ายนอันนี้สาคัญเลยรักษาสมองแก้อาการมึนเพราปวดหัว เอาละนะครับอันนี้บริเวณใบหน้านะครับขูดขูดได้เป็นแฉกนะได้สองสามแบบได้สองแบบนะครับหนึ่งเออันนี้เป็นกลางแล้ว like. ก็ขูดออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรักเระกสมีใช่ไหมรักสมีวงกลมอย่างนี้ได้ครับเป็นรักสมีวงกลมนี่ได้หรือนะครับหรือขูดเอาง่ายเลยนะแบ่งเป็นสองซีกแล้วขูดออกข้างก็ได้ครับง่ายสุดเลยนะแบ่งเป็นสองซีกใบหน้าเรานีแบ่งเป็นสองข้างแล้วขูดออกข้างนะครับอันนี้ได้ ถ้ามันมาเห็ตาเนี่ยนะหลับตาลงแล้วก็ขุดนะครับใช้ได้ดีมากนะครับหลัตาลงแล้วขุดเนี่ยช่วยรักษาความผิดปกติที่ตานะครับช่วยรักษาความผิดปกติที่ตาได้ดีนะครับห<ม>ลับตาลงแล้วก็ขุดขุดไฟบางทีเราจะมียาหยดตาหยดเข้าไปก่อนก็ได้นะมีน้ำยาหยดตาหที่ไหนก็วันหน้าใคยพูดเรื่องสมุนไพรนะวันนี้ไม่มีเวลาพูดเรื่องสมุนไพร เท่าไรอะ เ, เนี่ยสมมุติเรามีพวกเนี้นะครับมีนม้ํำยาหยดตาเราก็หยอดเข้าไปแล้วก็ขูดหรือเอาเออเวลาที่หน้าเ น, นะอย่าไปทาพวกนี้นะไอพวกขี้ฝึ้งพวกอะไรพวกนี้นะไมันก็ไปทาแะแต่ที่ตาดีหนัง น, นะทาน้ําเปล่าอ่าหรือทาน้ําน้ำยาหนังน้ำยาห น, นังส ก, กัด น, นี้ก็ได้นะครับหรือไม่ทาอะไรก็ได้ไม่ทาอะไรเลยก็ได้แล้วก็ขูดขูดไป ที่ใบหน้าของเราเป็นอย่างเนี้ยครับถ้ามีปัญหาที่ตาก็หลักตาลงแ้วู็ขูดมีนะครับคนแค่หลายคนที่มีปัญหาเรื่องตาตา ต, าต้อมองไม่ชัดอะไรต่างๆเนี่ยนะพยายามปูดที่ตาแล้วทําให้ถอนพิษจากตาได้แล้วมองชัดขึ้นมีหลายท่านนี้มองกำลมองชัดขึ้นอันนี้ก็คือการขูดที่ใบหน้านครับขูดไปได้ทั่วๆเลยครับ การขที่ใบหน้าจนจะช่วยถอนพิจได้ดีมากเลยนะครับที่หน้าผากกับขมับเนี่ยจะถอนพี่จากสมองนะที่คิ้วเนี่ยถอนพี่จากลำไส้ใหญ่นะครับวางคิ้วเนี่ยถอนพิจจากกระเพาะอาหารนะครับใตายจมูกเนี่ยถอนพี่จา ก, ห, าาจ ก, จากหัวใจข้างข้างปีกจมูกอันนี้ข้างจมูกเนี่ยถอนพิจจาตับ น, นะครับตรงนี้ถอนพิจจากปอดนะฮะตรงหนงแก้มเนี่ยตรงนวดเนี่ยนะครับถอนพี่จากกะเพาะขับท่ายนะตรงใต้คางใต้ร hmm ิมฝีปากล่างเนี่ยถ <altura> อนพี่จากกระเพาสืบพันธุ์นะครับ มันช่วยมันเป็นจุดสดท้อนในการความคิดจากภายในด้วยต้องขูดหน้าอย่างเดียวเนี่เอาไว้ภายในแข็งแรงด้วยครับแต่ถ้าเราจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะขูให้ทั่วมูดท่วก็ได้หนเองแหละนะคิดมาท่องมันหมือนหัวทำไมเออท่องไปเนยังไันเหมืนหัวเล่นๆขูดไปทั่วๆก็ได้หน้วคิดอะไรมากเนี่ยถ้าูดหน้านี่ไปหน้าสังเกตนะมันจะสบายที่ตัวนะขูดไปหน้าจะมันสบายที่ตัวมัแสง มันเบาเาเบาที่ใบหน้าด้วยแล้วมันจะเบาเบาที่ตัวด้วยนะครับตอนพีษมันจะออกได้นะอันนี้ขณใบหน้าช่วยช่วยภายในด้วยแล้วขนใบหน้าเนะครับมันช่วยให้ ใบหน้าผิวหน้าดีขึ้นด้วยันผิวหน้าดีขึ้นเพราะหลายคนรู้ว่าผิวหน้าดีขึ้นไม่ทาอะไรแล้วใส่ทั้งวันงานที่สวยเท่านี่แหละดูใครโดนมั น, น, นแม่ก็ต้องเอาขนาดนั้นอรองแค่พอดีสบายไม่ต้องงงแรมนะที่ใบหน้าเนะี้ยแค่พอดีสบายเาบางคนรู้ว่าจะสวยใส่แล้วเต็มที่เลยแต่ ข e tamam. ึ้นมาเลยนะคุดําขึ้นมาเลยตัวใขตัวมันนะตัวไขตัวมันใส่แค่พอรู้สึกสบายที่ใบหน้านี่คุแค่พอรู้สึกสบายนะไม่ใช่ให้ผิวหน้าดีขึ้นด้วยแล้วก็ถอนพิจากใบหน้าด้วยถอนพิจสมองด้วยนะถอนพิจาอไภายในด้วยนี่คือใบหน้านะครับีบหน้าอ่ะทานี้ก็คอนะคอคอหน้าหลังคุณลุั้งด้าหลังกันหน้าลง่ายสุดเลยคุณลงง่ายสุดเลย ขูดลงพัที่ขุดตัดมาก็ได้นละที่คอด้านหน้าจะขูดตัดออกมาก็ได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ขูดลงจะง่ายกว่าขูดลงไปเลยคอด้านในด้านนอกได้หมดนะครับขูดคอได้รอบๆหมดเลยครับได้ไหายปวดมากเด็คอเส้แนแหยบคอแห้งขนะูดคอไปเลยนะหายปวดมากอาจจะได้รักษาหลอดคอเราต้องเสียง แต่ถ้าใต้คางนขูดเฉียงว่านี้น่ะใต้คางมันจะดีขุดเฉียงว่างี้จะจะถอนที่ได้ดีขุดเฉียงใต้คางขุดเฉียงได้ถ้าเป็นหน้าอกนะครับกลางหน้าอกแล้วขุดลงเนี่ยตรงกลางในขูดลงข้างๆขูดออกเนี่ยข้างๆในขุดออกขุดทับเสื้อผ้าก็ได้นะเรามีเสื้อผ้าเราขูดทับไปเลยในการักษานะฮะ ผมเคยไม่สบายถูทับบไปได้เลยเพราะบังที่เนี่ยเราเราแม่เราไม่สามารถที่จะขูดเนื้อตัวเราได้นะมันที่สาธท่านะอะไรเงี้ย น, นะแม่จะไปขวดเสื้อขูดไม่ต้องการก็ก็ขวดทับเสื้อผ้าไปเลยนะรักษานะ อขุดออกไปข้างข้างนะขุดออกไปข้างข้างได้นะครับตรงข้างข้างขุดออกได้นะครับแต่ว่าถ้าใต้ใต้ใต้กระดูกอ่าไขปารานนี่นะขุดได้2ทานคือ1นขุดออก2องขดลงนะครับขุดลงก็ได้ใต้ไขปาร้านขุดลงก็ได้นะครับเสร็จแล้วใต้ราวนมนะครับใต้ราวนมเรามีนะขุดเฉียงเข้ามานะกระดูกซี่โครงมันจิ้งเฉียงเนี่ยขดเฉียงตามร่องซี่โครงนะครับเนี่ยกดเฉียงตามร่องซี่โครงว่ะขุดเฉียงเข้ามาหาสะดือฮะ หรือขดลงนะถ้าข้างๆเลยนี่นะครับข้างสีข้างเนี่ขุดลงได้นะจากก็แกลงลงมาเนี่ยครับขุดตรงลงมาเลยได้ตรงมาได้นะครับถ้าเป็นท้องเรานะครับพุงเราท้องเรานะครับท้องเราวพุงเราเนี่ยนะครับเนี่ยท้องเป็นพุงเนี่ยขดลงได้หรือขดเข้าหาสะดือได้นะครับขุดลงหรือขุดเข้าหาสะดือได้ทั้งหมดเลยนะครับขุดเข้าหาสะดือได้นะอันนี้ก็คือตรงบริเวณท้องนะคะถ้าเป็นหลังนะครับหลังหลังเนี่ย เขาสาธอหงมาให้ดูจุดจุดฝังเข็มเต็มตัวเลยเนี่ยเราขูดทั้งตัวได้ได้จุดฝังเข็มทั้งตัวเลยถ้าเป็นหลังนะฮะหลังเนี่ยอถ้าเป็นหลังนี่นะครับข้างกระดูสันหลังนะครับเนี่ยอันนี้คือกลางตัวใช่ไหมข้างกระดูสันหลังในขูดลงถ้าเป็นหลังเนี่ยข้างกระดูสันหลังในขูดลงนะครับพื้นที่ที่เหลือนะครับขูดออกข้างเลยตั้งแต่บ่าลงมาเลยนะครับพื้นที่ที่เหลือเนขูดออกข้างแบบนี้ขูดออกข้างขูดออกข้างขูดออกข้างแบบนี้ถ้าเป็นหลังนะ อันนี้ก็คือหลังนะครับข้างกระดูกสันหลังขูดลงนะครับขึ้นนี่เหลือขูดเราข้างนะถ้าเป็นเอวเป็นสะโพกพวกนี้นะครับขูดลงทั้งหมดเลยนะครับขาเอวสะโพกมีขูดลงทั้งหมดเลยขาเอวสะโพกขูดลงทั้งหมดเลยถ้าเป็นแขนนะครับแขนก็ขูดลงนะครับแขนนี่ขูดลงเลยลดลงไป เราจะกูดให้เจ็บอ้อมอ้อมมก่อนก็ได้นะอ้อมปาเรื่อยๆนะอ้อมไปเรื่อยๆเรยๆนะก็ถึงปลายมือนี่ยนะใครมือล็อกเท้าล็อกกันนะ คนที่แมมมันลอกไปหมดเลยพันเืดหมอบอกพันเกิดติดยึดอะไรก็แล้วแต่นะลอกไปหมดเนี่ยไม่ต้องไปพาหรอขูดไปเรื่อยๆเดีย๋ยวมันครมีหลายคนนะูไปเรื่อยๆเดีย๋ยวมันใครแล้วว่างๆนั่นว ง, ว ง, งเล่นไปนั่งดูโทรทัน์ไปก็ขูดใารอะไรเงี้ยนะตัก่าีสิบปีก็ใช้ไดู้้ดไปเรื่อยๆี่ตายมือแล้วนี่ยเขูดได้ดีนะครับแก้มมีอลอนะ้ีั อันนี้ก็คือการขูดครบทั้งตัวแล้วนะครับนี่คือการขูดครบทั้งตัวถ้าเราขูดไปฟเห็งบางจุดบางที่เนี่ยมันจะขึ้นสีแดงขึ้นมาแล้วนะถ้าการว่นิจใช้โรคนะครับการว่นิจใช้โรคถ้ามันขึ้นมาเป็นสีแดงหรือสีชมพูสีชมพูหรือสีแดงเรื่อยๆนะครับแปลว่าดีสีชมพูหรือสีแดงเรื่อยๆนี่แปลว่าดีนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ย เป็นสีเป็นเป็นปืนนะเป็นปื้นเหมือนค่เออเป็นปืนปนป้นเหมือนเหมือนปืนคันอ่ะอันนั้นพิษเริ่มสะสมนะครับถ้าเป็นจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำจ้เหมือนค่เลือออกนะครับอันนั้นพิษสะสมนานแล้วนะเขาเรียกว่าลงแตงภาษาแค่ทางเลือกเขาเรียกว่าลงแตพิษสะสมนานแล้วนะถ้ามันช้านะมันช้า ถ้ามันเริ่มช้ำเนี่ก็พิษสะสมนานไปกว่านั้นอีกนะถ้าถึงขั้นสีม่วงหรือสีดำนะครับในทางแพทย์ทางเลือกถือว่าเป็นมะเร็งนะครับคุณมีพิษขนาดมะเร็ง ผมทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งมี 80% นะครับของผู้ป่วยมะเร็งมีขุ่นและเป็นสีม่วงประมาณ 80% เป็นสีม่วงซึ่งแม่นมากกันนะแม่นมากเลยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าใครเป็นสีม่วงเนี่ยไปตรวจกระมองแพปัจจุบันจะเป็นมะเร็งทุกรายก็ไม่ใช่แต่ในทางแพทยทางเรือกนี่ถือว่าเฮ้ยเสี่ยงแล้วนะมีโอกาส 80% ถ้าคุณไปตรวจโอกาสเจอ 80% แต่แพทย์างเลือกก็ถือว่ามีพิษเยอะแล้วควรจะรีบถอนพิษนะครับอันตรายมากนะถ้าใครสีม่วงหรือสีดำคนมีพิษหน้าจุดไหนก็ตรงนั้นแหละนะครับมันมััันนนนมีิตรรง้แหละคบ หรือมันมีพิษตามเส้นลมตาณเดี๋ยววันหน้าวันพรุ่งนี้จะเรียนกดจุดลมตาณกันนะครับตอนเช้าเดี๋ยวเราก็รู้เองนะเส้นลมตาณไหนเป็นไหนเป็ไนไหนนะถ้ามันไปขึ้นโถตรงกับเส้นลมตาลที่เราไปนั่นแหละอันนั้นแหละแปลว่าพิษภายในมันเยอะภายในตรงกับเส้นลมตาล น, นั้นหรือว่าตรงกับเอาไว้ว่าไหนนะครับถ้าใครขูดหลังขูดหลังขูดอะไรไป ตรงกับอะไรว่าที่มันอยู่ข้างหน้านั่นแหละนะตรงกับปอดก็มีปอดตรงกับหัวใจมันก็เป็นหัวใจตรงกับตับก็เป็นตับตรงกับม้ามก็ตรงกับกระเพาะเป็นกระเพาะนะตรงกับม้ามก็เป็นม้ามตรงกับอะไรก็เป็นนั่นแหละนะข้างหลังงานนะครับที่มันปืนขึ้นมาเนี่ยแปลว่าอะไรว่าภายในของเรามันมีปัญหานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเช็คโรคได้แม่นมากนะครับอวัยวะนี้แม่นมากเลยแม่นก่อแผลปัจจุบันนี้แม่นมากเลย เพราะว่ามันเป็นจุดที่รู้ทำให้เรารู้จุดที่ไม่สบายอ๋อลืมบอกไป <ะ S 2> ถ้าใครจำคิดทางไม่ได้นะ ถ้าจําทิศทางไม่ได้นั่งคุณไปเลยวันไหนก็ได้นะขอให้ได้ขุดนะถ้าคุดไปเลยมันจะรักษาโรคคุดไปเลยขอให้รู้สึกสบายไม่จาทิศทางไม่ได้ไม่เป็นไรคุดสวนทางที่ผมว่าก็ได้นะขอให้รู้สึกสบายเพราะพระเจ้าบอกว่าการรู้สึกสบายคือการรักษาโรคนะครับทำให้รู้สึกสบายโรคมันจะลดลงนะเพราะฉะนั้นถ้าจําไม่ได้ก็คุณคุณไปเลยขอให้ได้ขุดสวนทางก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียส ขอให้ได้ถูกนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วถ้าเราขูดเนี่ยนะครับจุดสําคัญก็คือว่าถ้าคนที่ปวดม า, มากๆถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะคเขาจะขูดหลังนะเ<อ>ด็กที่เป็นไข้เป็นไอใข้ไม่สบายอะไรก็ตามเขาจะขูดหลังเพราะมันจะคุมทุกตัววิวะเลยนะครับข<อ>ูดหลังมันจะคุมทุกอัววิวาหรือถ้าเราไปขูดตัวเองนะครับก็ขูดด้านหน้าของตัวเองได้ก็ได้ทุกตัววิวาเหมือนกันนะครับการขูดซมันจะดีตรงที่ว่าขูดด้านตรงข้ามมันก็จะรักษาด้านตรงข้ามพนะ เช่นนะครับสมมุติใครมีแผลที่เต้านมอย่างนี้นะครับอยากให้มันหายเร็วเราก็มาขูดด้านตรงข้ามก็คือมาขูดที่สะบักอ่นะมอขูดตรงข้ามมันนั่นแหละนะคมันจะรักษานะครับตัวตาเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันรักษาตรงข้ามด้วยผมมีนะครับคนไข้าบางคนเนี่ยเขาขูดหลังมือแล้วก็เจ็บผมก็เลยบอกเฮ้ยเจ็บแนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องขูดหลังมือหรอกขูดหน้ามือเลยมันจะรักษาด้านหลังมือด้วยเขาก็ไปทํานะไม่กี่นาทีมันก็หายนะครับแต่เขาบอกเขาเป็นมานานแล้วมันไม่หายเพราะมาขูดกลัวตาเนี่ยมันหาย อันนี้นก็เป็นเรื่องฝรั่งนะมันรักษาตรงข้ามด้วยนะครับก็คือมันจะยิงพิษจากจากเลือดด้านตรงข้ามนั่นแหละมาออกอีกด้านนึง น, นะครับอันนี้เพราะฉั้นครัวซ่างนี่มันจะดีตรงนี้แต่อย่าไปขูดตรงที่เขาเป็นแผลเป็นฝีเป็นน้องนะอย่าขูดตรงแผลฝีน้องหรือตรงไหนที่มันเจ็บมา ก, มากๆอย่าขูดถ้าเจ็บมากๆใช้วิธีพอกทาแทนใช้วีเช็ดแล้วก็พอกทาแทนนะครับน้ำโคลโฟีนกากโคลฟีนนะไปพอกไปทา เอา้าชุดน้ำโคลลีนไปวางหรือโอกาสโคลลีนไปวางมันจุดที่ไม่สบายนะครับอาการไม่สบายจะลดลงอันนี้สําคัญนะครับเราไปขูดในจุดที่ไม่สบายแทนดีกว่าเอ้แต้องข้ามได้ครับหรือว่าถ้าพันเจ็บนั่งตัวเลยก็อยวเพิ่งไปขูดนะเอาผ้าอุ้มทาไปก่อนเพราะมันเย็นลงแล้วร่างการไม่เจ็บไม่ปวดไม่อัเบเส้ไม่ทร ม, มานแล้วก็ค่อยไปขูดนะครับ น, นี่สําคัญ อาการปวดซานเนี่ยจะหน่งนะครับเรียกเป็นคำท่านก็คือว่าไม่สบายที่ไหนก็ขูดที่หน้าแหลมเป็นหลังนะอันที่สองขูดตามจุดถอนพิษทั่วไปในร่างกายที่ถอนพิษได้มากกระหว่าเส้นลมปราณที่ถอนพิษได้มากก็คือหลังทั้งแผ่นหรือด้านหน้าทั้งแผ่นถ้าขูดแขนร่วงก็ ย, ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการไอนะขูดแขนร่วงวะยิ่งดีเพราะมันมีเส้นลมปราณปอดกับหัวใจอยู่ขูดแขนร่วงจะยิ่งดียิ่งถ้าขูดขาล่วงด้วยยิ่งแจ๋วเลยนะครับมันจะถอนพิษได้ทั้ง หนึงหลังนะถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีเวลาอะไรเลยเดี๋ยวนึงขูดจุดที่ไม่สบายสองถ้ามีเวลามากขึ้นพยายามขูดหลังหรือขูดด้านหน้าของตัวเองนะครับจะช่วยไเยอะถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็ขูดแขนเพิ่ขึ้นนะครับมีเวลามากกว่านั้นก็ขูดขาเพิ่ขึ้นอันนี้ก็ได้นะมีเวลามากกว่านั้นขูดหน้าขูดหัวนะครับก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่เราจะดูว่าเรามีเวลาแค่ไหนอย่างน้อยนะจริงๆแค่วันเึ่นะเรามีเวลาเด็กปวดให้ตัวเองบ้างไหนะตอนเย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยควดไปสักสิบนาทีก็เสร็จแล้วไม่ต้องทาอะไรก็ได้สิบนาทีสิบ้านาทีก็เสร็จแล้วตัวตตัวหรือจุดที่เรารู้สึกไม่สบายนะครับอันนี้ก็ถอนติดเราได้แล้ถวถ้าททุกวันให้ะยิ่งดี ประำทุกวันไม่ได้อย่างน้อยนะสัปดาห์ละครั้งจะเป็นประโยชน์เรามากแย่สุดเลยคือเดียนละครควรจะได้กลัวตาตัวเองหรือเชื่อมกับคนอื่นก็จะจะกลัวาเพื่อนกันแล้ะแต่ก็จะได้ถูกกลัวตาควรจะกลัวตาตัวเองมากนะครับแย่เสุดก็คือเดียนละครั้งนแหละทานะครับถ้าพอมีเรื่องมีแรงมีก่อนนอนนะกลัวตาก่อนนอนจะดีครับในสัปดาห ถ้าเราต้กลัวสารเยวพุ่ไปอาบน้ํานะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวพุ่งไปอาบน้ําให้รอสีถึงแปดชั่วโมงก่อนเพื่อให้พิษมันได้ระบายมากนะถ้าเป็นไม่ได้รอสี่ถึงแปดชั่วโมงถ้าให้ดีก็อาบน้ําก่อนแล้วก็กลัวสารห อ, อ, องน้ํำอาบน้ําก่อนนอนอย่างเงี้ย น, น ะ, ะแล้วก็กลัวสารไปก็ได้แต่ถ้าเราเจ็บปวยไม่สบายจริงก็ไม่ต้องรอะครับไม่ต้องรอก็กลัวสารไปได้เลย ถ้าเป็นไปได้ก็รอสักสามสิบนาทีเราอยากลัวสาเหตุมาค่อยอาบน้ําหรือถ้าจะเป็นต้องอาบน้าทันทีให้อาบน้าอุ่นนะครับมันจะได้เลือดที่เราระบายมาที่ผิวหลังจะได้ไม่หดตัวเร็วเกินไปแต่ถ้าเร า, าอาบน้ำน้ำเป็นทันทีมันหดตัวเร็วเกินไปพิษมันยังออกได้ไม่มากก็เสียดายแรงขูดออกมากครับอันั้นแต่ถ้าจะเป็นดีวควรซาได้เลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรออาบน้ำไม่ต้องรออะไรทงิ้อันนี้แล้วก็จุดไหนที่ลมมันพัดโฉบแรงกันลมหนาว ทมานมากๆเขาอย่ไปทาในที่ที่ลงโจกันทรมานแต่ถ้าลงพัดสบายๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ไนะนี่คือการคัวซ่านะครับอ่ใครสงสัยอะไรไหมหรือกินห้ามสงสัย <c oughs> นะมันได้เวลาจะกินข้าวเลยนะอออได้ได้ได้ได้ไดได <c oughs> การก็มองก็ได้ไ ด, ไ, ดดดได้หมดเลยได้หมดฟืทุกหมดเลยตัวเด่นแบบนะว่างเขาพายกับไม้มันเป็นคำถว่าอะไรได้ผลกว่าถ้าผมเฉียดเียไม้นะเขาพายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาพายมาะสบยุ ก, ก่อนยุบเย็นนะ่เาพาย ม, ม, มานันมีความ้อนอยู่ในตัวแต่ว่าถ้าใครมีแล้วก็ไปทำทิ้งหรอกมากระช้ไปเข้าให้มากช้ไป ออานจะหนังแล้วพอแห้งแล้วกดตะมอสใส่ก่อนมันกแ็แห้งมันก็แท็คพิจอรณาในมันกะแท็คพิจารณาใ น, นไม่สมุ่มทำจรงจังเลยนะ เ, อ เ, อเดี๋ยวเดียววันหน้าให้ถามดีก็ได้เพราะว่ามันคัามันเด็กแล้วนะหลายหลายคนจะหิวข้าวแล้วนะตะวนๆแล้วจานจันอยู่แล้วนู่นแล้วนะแต่บอกวิธีกินข้าวสั้นนิดเดียวนะก่อนจะมากินข้าวเย็นนี้นะครับเย็นนี้ก็อนจะไปทานข้าวคือว่าการทานอาหารที่ถูกต้องเนี่ยอาหารมื้อเย็นเราจะทานอาหารเบาๆนะร้านพิซซ่าเขาจะทานเบาๆจะเป็นข้อวต้มแต่แล้วเนี่ยวิธีการกินที่ถูกต้องก็คือว่า แม้แต่ข้าวต้มนะข้าวต้มผอนแล้วะเขาจะใช้วิธีข้าวหนส่วนต้มกับน้ำเจ็ดส่วนต้มแค่พอสุกไม่ให้เปือยใช่ไปกลางนะครับกินแล้วมันจะรู้สึกสบายตัวแต่ถ้าใครต้มข้าวจนเปือยกินแล้วมันจะไม่สบายแล้วก็ไม่มีแรงนะเดี๋ยววันหน้าเราไปดูเหตุผลว่าทาไมนะวิธีเป็นเรื่องของพลังงานที่เข้ามากเข้าน้อยต้องต้องต้มให้เป็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกินกับผัดผัดหรือว่าผัดรวกนะครับผัดผัดหรือว่าผัดลวกเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีว่าให้ตักกับข้าวแล้วเข้าปาก่อนนะครับแล้วค่อย แล้วค่อยตัดข้าวตามนะถ้าอย่าอย่าเอากับข้าวเป็นคนคนคนกับกับตัวข้าวนะครับเพราะ ว, ว่าข้าวจะคืนน้ตอาหารไปมาก เราต้องใส่ความเค็มจํานวนมากถึงจะรู้รสเค็มนะมันจะเสียรถแล้วเราจะทํามันจะทําให้เรากินความเค็มมากเกินไปนะครับ อ, อ, อย่าเอาความเค็มไปโรยคืออย่าเอาเกลือนะครับไปโรยในข้าวอย่าเอาเกลือซีอิ๊วไปโรยในข้าวเพราะข้าวจะเืินความเค็มไปเกือบหมดนะครับไปมากอ่ะเราจะต้องใส่เค็มที่มากมันจะเสียสุขภาพให้เอาความเคม็มไม่ว่าจะเกลือหรือซีอิ๊วก็ตามนะครับไปโรยในตัว กับข้าวได้นะครับไปรวมในกับข้าวแล้วค่ตักกินนะครับหรือถ้าเป็นลวกผักก็เอาผักนั้นไปจิ้มเกลือจิ้มซีอิ๊วเข้าปากแล้วค่ตักข้าวตามนะจะทําให้เราได้รดคนจีนเขาจะกินข้าวต้มเป็ น, นะครับเขาจะเอาความเค็มเข้าปากก่อนอที่มีรสเข้าปากก่อนแล้วตักข้าวต้มตามจะทํา ความเค็มเกินแต่คนไทยกินข้าวต้มไม่ค่อยเป็นนะเอาเกลือเอาซีอิ๊วอกกับข้าวไปใส่ตัวข้าวคนคนคนๆ น, น, น, นะ <c oughs> ก็เลยใส่ความเค็มซะมากเลยกินแล้วไต่าเสียนะครับมันจะร้อนมากไป น, นะอันนี้กินให้มันเป็ น, นแล้วเราจะปลอดภัยนะ ไม่ตอกลัว่าจะหิวจะ อ, อะไรนกะินเท่าที่กินเบาสบายนะครับกินเบาๆแล้ที่กิสบายมันจะหลับลึกนะดีกว่ากนะินข้าวหนักๆกินข้าวมือเย็นกลางคืนมันจะส้างการทุกทำงานทั้งคืนเลยนะครับตลอดจะไม่สบายนะครับเอาละครับบอกวิธีการกินไปขนาดนี้ก่อนแล้ววันหน้าท่ามาคุยกันต่อนะ้ะคมเข้มที่ดีสุดเข้มดล้นะ คมเข็มที่บำรุงร่างกายแล้วมาทพิรุธีนสุดคือเกลือถ้าใครพอทนไหวก็ใช้เกลืออย่างเดียวใครทนไม่ได้ก็ไปทอนซีอิ้วเขานะอาจารย์อาจารย์ทอนซีอิ้วหน่อยมันจะลงแดงตายอะไรเงี้ยนะ่ใครพอทนได้ก็นั่นแหละนะกินกินใช้เกลือไปนะเดี๋ยววันหออกกน้าจะเล่าให้ฟอีกทีลงเวลางคนแล้วเราจะหนะือกันนะครับเอาละครับวันนี้เอาไว้ท่านีครับสริญ ท, ทนรครับ